อันนั้นก็คือพบอีกชนิดหนึ่งซึ่งละเอียดประณีตขึ้นไปอีกดูยากที่สุดเลยอาวนาแล้วก็ไปยึดอยู่ในความว่างไปเพ่งอยู่ที่ความว่างอันนั้นเป็นเส้นทางเดินของอรูปปรลมอรูปปพลมไปเพ่งความว่างเรียกว่าอากาสานัญญยตนะเพ่งจิตเพ่งจิตไม้เฉยเฉยเรียกบิน ญ, ญาณัญญยตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกอากินจัญญ ย, ยตนะ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 คนใดไม่มีธรรมะนะก็เคว้งคว้างเหมือนเรือไม่มีหางเสือล่อแหลมที่จะล่มจมลงไปคนใดมีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตใจอยู่คอยมีสติรู้ทันใจตัวเองเนมันเหมือนเรือมีหางเสือนะฝ่าคลื่นฝ่าลมยังมีทางรอดพวกเราแต่ละคนอยู่กับโลกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์สังเกต ด, ดูโลกมันไม่เคยหยุดนิ่งนะโลกไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลย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 ทำงานก็จดจอ่ออยู่กับงานไปพอจิตเกิดกิเลสแทรกขึ้นมาเราก็คอยมีสติรู้เอานะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะทำไปอย่างนี้ยกเว้นเวลาที่ทำงานแต่ตอนทำงานแล้วถ้ากิเลสแทรกนะเราก็คอยรู้เอานี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะไม่ช้าหรอกกราบนักสมการหลวงพ่อนะครับตื่นเต้นมากนะครับหลวงพ่อน่าจะตื่นเต้นกว่านะ่าควรมามองหลวงพ่อเยอะเลย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 เพะนั้นเวลาพาวนาก็ดูกายบ้างดูจิตบ้างแต่ว่าไม่ได้จงใจดูหรอกสติะระลึกรู้กายก็รู้กายไปสติะระลึกรู้จิตก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยเรเราจะเห็นอะไรเขาทํางานของเขาเองเดี๋ยวเขาก็ไปรู้กายเดี๋ยวเขาไปรู้จิตเนี่ยเรียกว่าเรารู้ทันจิตของเราเองแล้วอย่างงี้ผมจะใช้ลมหายใจกับหรือว่าอย่าอย่าไปเล่นลมนะของคุณติดลมแล้วสวดอนะิทิพิโสได้หรือเปล่าครับสวดอีทิพิโสได้หรือเปล่าครับลองสวดให้ดูซิ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 กรับกาบนะมรสการหลวงพ่อนะครับคือตัวกระผมนี่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบปีครับแล้วก็พร้อมกับปฏิบัติไปด้วยแต่ว่าผลการปฏิบัติก็คือสามารถรู้จิตได้บ้างแต่กานี้รู้ไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับมันรู้เองเหรอจิตเนะ่ยหือจงใจรู้ล่ะถ้ามันรู้เองก็ใช้ได้นะเห็นกิเลสไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็เห็นเห็นบ้างครับรจริง ถ้ายิ่งเห็นกิเลสบ่อยนะก็ยิ่งภาวนาดนะีแสดงว่าสติเกิดบ่อยบางคนกลัวกิเลสอย่าไปกลัวกิเลสนะบางคนกลัวกิเลสแล้วก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆไว้ทั้งวันอย่างนั้นไม่ดนะีปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจมันกระเทือนไปแล้วเรามีสติตามรู้ใจที่กระเถือนนะเช่นตามองเห็นเห็นสาวจิตมันยินดีขึ้นมาเกิดราคะเรารู้ทัน เห็นสาวคนนี it it like then, worry, yourself, ้แล้วก็ยกมังเอกให้จิตเกิดยินร้ายมีโทสะขึ้นมาให้รู้ทันน่ะเนี่ยกระทบอารมณ์ไปแล้วก็ค่อยรู้สึกไปอ่าแล้วจริตอย่างกับผมนี่เหมาดจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือเปล่าครับไม่เหมาะหรอกนะถ้หายใจเดี๋ยวซึมประดุกกดิกไว้เคลื่อนไหวไว้เดินจงกรมอะไรเงี้ยหรือทําอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้กระดุกกระดิกไปกระดุกกระดิกอย่างท่านสิบสีจังหวะไม่เป็นเราปัญญัติกระบวนท่าของเราเองก็ได้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 มันเป็นตัวออบเจกชีพไม่ใช่ตัวซนะับเจ t i ี e ถูกรู้ไปหมดเลยเพราะงั้นเราค่อยคอยฝึกไปนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปนะเห็นจิตใจมันทำงานไปคอยรู้มันไปเรืนะ่อยใจก็จะค่อยค่อยตั้งมั่นขึ้นมาพอนะใจตั้งมั่นก็ต้องคอยดูอีกนะอย่าไปประคองรักษาจิตที่ตั้งมั่นหลายคนพอภาวนาแล้วมีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็ไปประคองรักษาตัวผู้รู้เอาไว้นะประคองกลัวจะเป็นผู้หลงหรือบางทีมันจะไหล ใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นจิตไหลนะนั่นแหละพวกเหลวไหลมันจะไหลไหลไหลไปนะให้เรารู้ทันถ้ารู้ทันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตอนที่มันไหลพอเรารู้อย่าไปดึงนะออถ้าดึงเนี่ยมันจะแน่นๆขึ้นมาถ้าเมื่อไหรดึงเข้ามาแล้วแน่นแน่นเมื่อไร่ทําผิดเมื่อนั้นจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนไปไปดูเอากรบ า, าอบอพระคุณหลวงพ่อครับหลวงพ่อเจ้าขา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 แล้ประครองหนักกว่าเก่าแล้วทราบไหมไม่ทราบเลยค่ะแล้วรู้สึกไม่มีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ใช่ค่ะแล้วใจมันพองพองผิดปกติอเออนั่นแหละไปประครองไว้แหละไอ้อตัวที่นิ่งคงที่นั่นแหละเกิดจากการประครองไว้ถ้าเราไม่ประครองไว้มันจะไม่มีตัวหนึ่งนิ่งอยู่เวลาพวกเราภาวนาคอยระวังนะหลายคนภาวานามาหลายปีเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นมีอยู่ตัวหนึ่งในเนี้ยนิ่งนิ่งนิ่งคงที่อยู่อยงั้นหลายหลายปีก็นิ่งอยู่อย่างนั้น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 คือพอเห็นความคิดเสร็จแล้วจิตมันไปดึงกลับมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเพ่งเพงตึงตึงอย่างเงี้เจ <adop> ้าค่ะมันรักดีมากเลยรักดีหามจั่จวจั่วหนักนะเจ้าค่ะแล้วทํายังไงดีเจ้าคะหลวงพ่ อ, อ, อ ไ, ไม่ต้องทําอะไรรูเฉยเฉนั่นแหละรู้คำตอบสังเกตก <S <S ไหมในใจลึกๆของพวกเราผู้ปฏิบัติน่ะเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทํายังไงจะดี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 ถ้าเรารู้ว่ า, ากุศลเกิดขึ้นขณะนั้นมีสติขณะใดมีสติขณะนั้นเป็นกุศลนะได้บุญด้วยซ้ำไปนะไม่มีนักครูบาอาจารย์อะไรสอนให้ตามใจกิเลสไม่มีดอกกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคืออยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี้เป็นยังไงนะคะหลวงพ่อไม่ค่อยจะรู้ตัวเอง<ม>เท่าไหร่มีโคตรบอกหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าโยมมาถามแบบนี้ให้โยมพูดสักประโยคหนึ่งก่อน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 หรือบางทีก็หยิบหนังสือมาดูครับมันเขียนว่าดูจิตล้วก็ถามว่าวันนี้เราดูจิตหรือยังมันจะมีวิธียังไงครับอย่าไปอย่าไปคิดมากนะการปฏิบัติจริงๆง่ายกว่านั้นเยอะเลยเคยถูกด่าไหมเคยถูกด่าแล้วรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะง่ายกว่านั้นง่ายกว่าที่คิดไหมีคนชมไมมว่าหล่ออะไรเงี้ยพอมีคนชมน่าใจเราก็พองเห็ไหม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 รู้สึกกายรู้สึกใจมันล้าไปครับยังดีนะคนนี้ล้าไปแล้วยอมรับนะบางคนไม่ยอมนั้นนึกว่าเป็นพระอริยะไว้ลพระอริยะบางคนนั้แข็งเชยฉันเป็นพระอริยะแล้วโลกว่างเปล่ากลับในมันสการหลวงพ่อนะคะไม่ทราบว่าปฏิบัติตอนนี้ถูกหรือเปล่าค่ะเหมือนติดสมาธิค่ะอ้าวพูดอะไรสัหน่อยสิก็พยายาม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 แต่ไม่ได้จงใจทํามโนนอันนี้นะแค่รู้ไปเรื่อยๆเราควรทํากรรมฐานอะไรคะหลวงพ่อ อ, อะไรนะรู้ ร, ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมค่ะคนที่สมาธิมากมากนะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวไหมคืนให้ไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตเชอะค่ะขอพระคุณคะ่ะกราบนมรดกการหลวงพ่อนะคะคราวที่แล้วได้ได้โอกาสมากราบส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่า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 หมดแล้วด้วยแล้วมันการหลวงพ่อคะ่ะ อ, อ, อยากเรียนกับกราบเรียนหลวงพ่อว่าจากการปฏิบัติขนาดนี้นะะจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็กังวลกังวลไปหมดเลยนะคะแล้วก็บางครั้งก็ใจก็วิววิวเลยกราบอยากกราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคะ่ะที่โยมฝึกนะ้ามันพอใช้ใช้ได้แล้วโนะยมเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเราดูเหมือนเห็นคนอื่น เห็นคนอื่นบิววิวเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านดูมันดูคนอื่นไปด้วที่ยมฝึกอยู่ใช้ได้แล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยใจมันตื่นแล้วก็ดูไปมีว่างอีกหนึ่งคนครับครคุณพี่คนนี้ผู้ชายตรงกลางนี่ชูมืออยู่เนี่ยพอดีเวลาเหลือครับเวลาเหลือเพราะหลวงพ่อเทศสั้นลง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 เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเทินยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนตีสะครังเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกปฏิอิธิตังปฏิตังทุมหังหิ ป, ปเมวาสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะจนธรรมะมาอยู่ในใจเราธรรมะจะคุ้มครองเรา